วันนี้จะอธิบายทังเรื่องอารมณ์อารมณ์ของกรรมฐานท่านเรียกว่าอารมณ์เดี๋ยวจะไม่เข้าใจทังเรื่องอารมณ์อารมณ์นั้นมีทั้งดีมีทั้งชั่วที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบนั่นท่าเรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานนี่อารมณ์ที่ทั่วไปเช่นความคิดความนึกความปรุงความแต่ง แม้ที่สุดแต่กองโทมนัดน้อยใจเสียอกเสียใจก็เดียวดยีใจซึ่งมันติดอยู่กับจิตมันห้อยแสนอยู่กับจิตนั้นสลัดไม่ได้ละไม่วางอันนั้นก็เรียกว่าอารมณ์เหมือนกันอารมณ์ในทางที่ชั่วที่ไม่ดีอารมณ์นี่แหละ เป็นอุปรสรรคของการภาวนาทำสมาธิเป็นตัวภัยร้ายกาจข้ามมัดห้ามผลห้ามปณิภานเหตุนั้นในการทำความเกียนภาวนาจริงจะต้องต่อสู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ีนกว่าต่อสู้ข้าศึก ถ้าจุดเป็นภัยร้ายกาจการสู้ต่อสู้อารมณ์ก็จะต้องเอาอารมณ์มันมาสู้กันอีกเหมือนกันอารมณ์ทางชั่วเป็นภัยอันตรายแกความสงบคือสมาธิภาวนาอารมณ์ของความชั่วเป็นภัยอันตรายแก่มรดิพาน เีกว่าสักขาวนนสสักขารมัคาวมสักขาวขาวรมันเข้าทํานองที่ว่าหนามปัดเอาหนามบ่งอันนี้เมื่ออารมณ์ทั้งชั่วเข้ามาพัวพันนิสกับจิตกับใจทำจิตใจไม่สงบได้แล้วก็จำเป็นจะต้องใช้อารมณ์ ทางดีต่อสู่ให้เข้าตำรับกระบาดสิวช น, นะความทั่วดรือความดีของเราอารมณ์ทางที่ดีพระพุทธเจ้าท่านประเทศรร้ายอย่างไายไหนที่เราพากันอบรมมาทั้งปวงหมดเรียกว่าอารมณ์ทางดีเอาพุทธคุณมาเป็นอารมณ์ นึกถึงพุทธเจ้าพุทโธพุทโธธโมทั้งโธอะไรทั้งหมดอ่ะเรื่องทั้งหลายอันนี้เรียกว่าอนุสติจิตาอนุสติสมาสติทั้งฌ า, า, านอนุสติสีลราฌานอนุสติมรณาอนุสติอนุสติทั้งหมดทั้งจิตเป็นอารมณ์ ทางดีสำหัดจะต่อสู้เอาชนะอารมณ์ทั้งทั่วนอกจาก น, นั้นอีกท่าน อ, อธิบายคู่อังกวที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิทอันนีมากมายเชื่ออธิบายวันนี้นะต้องการยจะให้เข้าใจทั้งนึงอารมณ์้นประมาณพูดโดยเฉพาะทั้งนึงอารมณ์ในหุ่นรู้จักอารมณ์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 คำว่าปรุงแต่งคำว่าส่งไปนั้นเพื่อมันออกจากหลักเดิมจึงไม่เป็นสมาธิถ้าหากเราไม่เห็นโทษเห็นนั่เป็นคุณอยก่ตราบใดอารมณ์มันนั่งก็เป็นกามคุณอารมณ์มันนั่งกับเป็นกามโคษเอเป็นกามคุณถ้าเห็นโทษ เส้นของหน้าเบื่อหน่ายทางจิตใจก็เกิดมัวเมาลุ่มหลงส่งนอกออกไกลแล้วเข้าใจอย่างนี้แล้วเห็นโทษแล้วสลัดได้ง่ายปล่อยวางเร็ ว, รวอารมณ์มีทุกคนที่จะเกิดอารมณ์ที่จะเป็นอารมณ์ปทัชั่วเพราะขอ้ข อ, ขอตรวงเรามีตัวกิเลสอยู่ภายใน ความรักความค่ความชอบใจและความเกลียดทุกข์ความยินดีแล้วไม่ยินดีมันมีอยู่ในใจของคนทุกๆคนเห็นนั้นมันยังค่อยเป็นอารมณ์อารมณ์นั้นนพูดกันง่ายๆแต้ว่าเป็นตัวขี้ดิแล้วคราวนี้เราสู้อะไรเราชนะ ถ้าไม่มีกิเลสเพื่อไม่เห็นโทษเราก็ไม่พยายามที่จะทําดีไม่พยายามที่จะํ า, าระตัศน์พอมีกิเลสเห็นโทษแล้วก็ตั้งนาลังกาที่จะช า, าระตัศน์ดีตัวผู้ที่ไม่เห็นโทษผู้ไม่เห็นโทษเห็นเป็นคุณทั้งหมดแล้วก็หมดทั้งทางไม่มีทางที่จะชำระต่างๆไม่มีทางที่จะแก้ไข เพ็นอารมณ์ทั้งหลายนั้นถ้าหากผู้มีสติปัญญาที่จะนัยเห็นโทษไม่ใช่เป็นของเร็วเป็นของชั่วจริงละอารมณ์ในกิเลสแต่ไม่ใช่เป็นของชั่วในตัวของเราคือเราเห็นชั่วแล้วจะต้องกระดักและพยายามกําจัดมันได้กลับเป็นของดีเลยเป็นเหตุให้เราเห็นไถ่ ได้ควบรู้ตื่นตัวไม่มัวมัวมวแลรวลุ่มหลงลุ่มพ่มเพื่อเผื่อนกับเรื่องอารมณ์นั้นมันดีตรงนี้ที่ว่าดีเหมือนกันกับคนเป็นโลคถ้ามมนมีโรคก็มันมีามนมามนมยาเพราะเกิดโรคยังค่อยเสแสร้งหายยากำจัดในวิชาพอโรคได้ควบรู้พอโรู้เกิดขึ้น กิเลมันเผาตัวของคุณเราทุกคนได้เคยเผามาแล้วเคยเดือดร้อนมาแล้วเมื่อเราเห็นโทษในการที่มันเผาและเดือดร้อนมาแล้วเราเห็นโทษเห็นภัยเราพยายามที่จะกำจัดเขาผานทำใมันวอดวายหายไปอาการพยายามที่จะกำจัด ให้มันวอดว า, อายหายไปนี่ตัวเนี่ยเป็นตัวปัญญาเนี่ยเป็นของดีดีตรงนี้อยู่ที่เฉยไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้สึกนึกคิดแล้วไม่เห็นโทษเห็นไขอะไรด้วยอยู่ในโมหะอวิชาไม่มีวันทาที่แก้ไขจมนา น, นักแบดเล ถ้าหากเราเห็นโทษเห็นภัยมันแล้วตื่นตัวรู้สึกนึกคิดได้ระวังภัยต่อไปาการที่ระวังไม่ให้มันเข้ามาเาผาผ่านฉันด่างเราอีกนะนั่นกลับเป็นความดีดีเลยกลายเป็นคุณทำให้เกิดคุณประโยชน์แก่ตัวของเราขึ้นมาถึงว่าอารมณ์มีทุกคน ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเพราเหตุที่เรามีปัญญาน้อยเราไม่มีอุบายสามารถที่จะ ก, กาจัดไม่ยังค่อยรบควรเราอยู่ตลอดเวลาการที่เราพยายามทาความดีและพยายามกาจัดที่เรนที่มันทำให้เราเดื อ, อดร้อนเป็นทุกข์ ตาภาษาสมุติที่เรียกเรียกัขาจะเรียกว่าทำกรรมฐานหรืออีกในหนึ่งที่เรียกว่าเพื่อสํชำร่ดีถ้าพูดให้มันสวยหน่อยเพอให้มันงดงาม้นหน่อยเรียกว่าจัปปะทรมคือการแผ่เผาการแผกเผามีในหลายอย่าง พระพุทธจ้าทานตรัเทศนาไว้ด้วยาการเฉลิมฉานคือ ท, ทำจิตให้สงบเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวดังอธิบายมาแล้วคือมีอุบายมีอารมณ์ที่เรียวกว่ากรรมฐานจิตจิตเป็นอารมณ์สนหรับแผดเผาอารมณ์อยากช้าเร็วสาดเก็นอสุระเป่งจยนาของไม่งามก่อจะเป็นเหตุให้ ไม่ให้หลงมัวเมาในสิ่งที่เรายึดถือเป็นของสดสป็นของหนาเป็นของปฏิพูลโสโครนาเปเสียงเราเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเราเพียงพิจารณาเห็นแท่งเป็นของไม่เที่ยงที่จะถืออัตตาที่ว่าเป็นส่วนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขของกิรังชาวัต เรามาแยกแยะพิจารณากายเราเห็นเป็นธาตุสี่น้ำไฟลมกระจายตัวของเราออกไปเราจะเห็นเป็นเกษตรธาตุเลยวาดินน้ำไฟลมเรื่องทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนนั่นสอนให้แยกแยะชัดส่วนออกไปเช่นตัวคนเรา เป็นแต่เพียงศักยภาพไม่ใช่กิเลสดินน้าไพลลงไม่ใช่กิเลสขา น, นคือรูปเวทนาสัญญาทั้งกาลเวี ย, น, ยนไม่ใช่กิเลสโลกก็ไม่ใช่กิเลสเวทนาคือความสุขความทุก ข, กข์ก็ไม่ใช่กิเลสเรื่องชื่อของความสุขความทุกข์มันจะเป็นกิเลสอะไร สัญญาความจําก็ไม่ใช่จีรีก็เป็นสักวิวัฒน์จำสังขานความคิดความนึกความปรุงความแตง่งแม้แต่ธรรมดาเสื้อผ้าม่คิดนึกปลุงแต่งอยู่เห็นยาความรู้สึกกับสักวิวัฒยินมีความรู้สึกเช่นเรารู้สึกเย็นรู้สึกแล้วก็เรียกความรู้สึกที่แรกเรียกวิญเรียกว่ า, ย, วายินยาความรู้สึก ร้อนก็เป็นมีก็เป็นมีญาติซักแต่ว่าร้อนมันไม่ใช่กิเลสอันที่เย็นนั่นเราเข้าไปยึดว่าเราเย็นนั่นต่างหาเป็นตัวกิเลสไม่พอใจร้อนนั่นเราเข้าไปยึดว่าเราร้อนนะะันต่างหากมันเป็นตัวกิเลสคือว่าถือว่าเราร้อนถ้าหากไปเห็นว่าร้อนนั่น เป็นคิดของไอของเด็กไอของความร้อนของไฟมันร้อนนะเกิ ค, ความรู้สึกพอมันสัมผัสเกิดความรู้สึกขึ้นท่านก็บอกว่าสัมผัสเปิชาเวทนาท่านก็เรียกว่าสัมผัสไม่ใช่กิเลสถ้าเราเอาตัวเขาไปใส่ความร้อนหนระืความสัมผัสอันนั้นกราบกายตัวกีเดลสคือค่อยพอใจหรือพอใจ เพราะนั้นท่านแยกแยกออกไว้ไสำหรับให้รู้ชื่อรู้นามรู้ตนรู้ตัวรู้หน้ารู้ตาเข้ามาสังา่งไม่ใช่เราจะไปเอาอายชั้นหน้าแค่เส้นเดียวกันตาหัวจหมูกเล่นสายใหญไม่ใช่จีริตตาถ้าลสลับดูมันจะเป็นจีริตก็ได้แต่ดูไม่ใช่อย่างเดีย ท่านมีตาก็ดูสิหลวพอเจ้าท่านก็มีตาท่านก็ดูแต่ว่าหาท่านมีตาท่านก็ดูหูนั่นก็ฟังได้ยินเหมือนกันจวหมูถูกขินเลีดถูกแล้วรสนี้มันกันรู้จักเเค็มหวานเปรี้ยวอาหารที่บริโภคเข้าไปทานเข้าไปท่านก็รู้เมันเย็นร้้แขงท่านก็รู้เหมือนกันหนาวเย็นท่านไม่ใช่ไมรู้คนไม่รู้ก็คือคนตายอันนี้ท่านไม่ใช่คนจาย คนเป็นดีๆนี่แหละเหมือนแต่เราเขาเราท่านหลยยังหลแต่ด้วยเหตุที่ท่านเห็นชัดว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นสัมผัสอันนั้นเป็นตานั้นเป็นรูปอันนั้นเป็นเสียงอันนั้นเป็นหูเกิดความรู้สึกเพื่พอสัมผัสท่านรู้หมดเข้าใจหมด ท, ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวของมาถ้าหากไปยึดเขา่า มันเป็นตัวอุปทานมันเป็นทีเรสตัวทีเลสเนี่ยเป็นเหตุนให้เกิดโทษทุกข์ทําเข้าใจชาติอย่างนี้ท่านไล่มดจเห็นมดจะุ้กสิ่งทุกอย่างรู้เรื่องของทุกประการไม่ทราบจะไปยึดอนะไรามเป็นจริงรู้ตามจริ ง, งหรือไม่สราบไม่ยึดไม่มีเรื่องยึดยึดมันก็ไม่ได้แต่ไยึดเวทนามันก็ไม่ไยึดอกทุกขทุกทกข์มันก็ไม่ได้จะไปยึดเอาสมัมผัสจะโน่นจะแสงมันก็ไม่ได้ มันมีแล้วก็ใช้ไปใช้ไปในหน้าที่ของมันนันกนหมดเรื่องไปรู้จักหน้าที่ของสิ่งนั้นมีจริงว่าให้รู้จัก ถ, ถึงเรื่องอารมณ์ให้เข้าใจทั้งเรื่องอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่เป็นกิเลส นั่นเป็นอารมณ์ทางดีก็มีทางชัวอยู่อย่างเราไปพิจารณาสุขะเห็นปฏิกู ล, ลเห็นเป็นธาตเห็ น, นเป็นของตายเป็นตอนตายอารมณรมณันเป็นอารมณ์นั่นก็ไม่ใ่เรื่องจริงทางลัทธิถึงอดีตอนาคตมันก็เป็นเรื่องอดีตอนาคตมันก็อยู่เพียงแค่อดีตอนาคต ถ้าหากเราไม่เข้าไปเดือดร้อนเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่กิเลสถ้าไม่ใช่กิเลสแล้วตัวคนเรานะ่ะทุกคนมีอายตะนะครบพันบริบูรณ์มาทุกสินง อ, อย่างสัมผัสเย็นน้อนนแสงนี้มั้งยินดเอ๋มีดีมีชั่วมั้งถ้าหากกิเลสอย่นี้ถ้าหากไปยึดเอาไปตัวในตัวร้อนมัน้เลย ถ้าในยึดเล้วก็เป็นสภาวะที่มีอยู่เช่นนั้นเกิดอยู่นล้นดับอยูน่นล้วมันก็หมดเรื่องสบายแล้วไปสู้อะไรแต่ทําอะไรกันเราปฏิบัติ ท, ทําอะไรสู้อะไร้สไราสู้อันนี้เนี่คือให้รู้เท่าเนี่ยคาว่าสู้คือว่าไม่ให้หลงมันขั้นเป็นหลงแล้วมันเป็นตัวกิเลสสู้ไม่ให้หลงที่จะไม่ให้หลงก็เพอยาะเราพิจารณาเหนตามนิจ อารมณ์บางทีทาเมื่อวานนี้รือทำเดียวเดือนแล้วนี่นึกทาเมื่อพิกายนี้อันที่ทำไปนเอามาเนื้อคิดหรือว่าคิดไปข้างหน้าสมปัณนาไม่ใช่เป็นอะไนเรียกว่าอารมณ์นะอันนั้นก็ถ้าหากเราเห็นโทษเป็นของนาวเบื่อนหน่ายเราสลาดัดเแล้วปล่อยวางไปเยะเอาไปจุบัน คือว่าปัจจุบันที่จะอยู่ได้ก็เพราะมีอารมณ์เหมือนกันอารมณ์อะไรที่อยู่ในปัจจุบันที่ยังอยู่ได้ทีจพิจารณาถึงธาตพิจารณาถึงความตายพิจารณาถึงของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราเป็นเหตุพิจารณาถึงเรื่องเป็นของน่าเกลียดและเบื่อหน่าเราเป็นธาตุของมัน มันใช้เรามานมนานมันมาคับเราใช้เรามาขวบวัดหขวบเบียดขบวัดขวบเบียดมาไว้เจ ก, กิดเท่าไรนีม่มันไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้แกเราเลยมีแต่ใช้เราล่ามไปเมื่อเรานห้โทษเช่นนี้ก่อเป็นเหตุและลึกถึงเรื่องที่เรายอมเป็นผาดของมั อ๋อเรื่องเป็นธาตุน้องสาวอย่างงียบนะคะคงสูงไม่ดนี้หลงมาอย่างนี้เองนั่นเรารู้ในที่ว่าเราเป็นธาตยอมเป็นธาตุนะนะคราวนี้เราจะให้มนพ้นจากธาตด้วยเหตุที่เราไม่ยอมเหตุธาตุก็มาที่จะไม่ยอมเป็นธาตมันก็เพราะมารู้เรื่องรู้เท่าเห็นโทษเห็นไถ่การเป็นจิงแม้จะกลับเป็นตัวปัญญา ใหเกิดวิชาสมุดฉลาดทิชจช่แล้วก็กล้าหาญเรา อ, อวิธีนนี่เองที่เป็นที่ทําให้เป็นอิสระคนจะฆ่าของเขาคืออธิษฐนี้เองแล้วพิจะได้ยึดมัน่นถือมั่นในอุบายนะรักษาอุบายนั้นพิจารณาต่อไปมีวัดถึงเรื่องอารมณ์ให้เข้าใจแล้วปฏิบททัติเพราะนาไม่รู้เรื่อง ว่าอะไรเป็นอะไรให้คนที่ตึกกระเจาอะไรนี้สูกต่อ ก, การศึกษาเราเรียนทำในไหนการฟังทำคำสอนคริดีจัฟังอุบายทฤเทศต่างๆเราจะศึกษาให้รู้เรื่องทั้งหลายเรื่องนี้แหละไม่แช่นั่งรับตาพ่อนหน้าใช่ไหมเป็นไปเลยทีเดียวเป็นได้เส้นแค่เป็นด้วยก็เมืรู้เรื่องอีกมั้งใช่ไม่จราบว่าด้เสนไ แห็นแล้วผู้ที่ภาวนาได้ทำกรงเทียนทั้งหลายเมื่อไปเห็นอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นมาได้กองแปลกประหลาดนะนั้นถือว่าเป็นของดีของดีเลยเข้าไปลงยึดลงถือเอาสิ่งนั้นถึงมั่นเหมเาะซะเลยแต่ว่าะสิ่งนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ของไม่จริงเป็นของปลอมนานๆนะเข้าหรอมันเสื่อมสูญไยแช่หรือขอนั้นไม่ใย่ของจริงนะครั้งนี้เลย น้อยใจเทื่อใจเกิดความคงท้อแท้อ่ในในการปฏิบัติวันดีทั้งขนาดนี้ก็ยังเรี้วไหลก็ได้ดีทั้งขนาดนี้จริงทั้งขนาดนก็ยังเสื่อมถล่มไปได้อันนี้ก็เป็นของจริงแล้วมันไม่ใช่ของจริงนี่มันของเลอ ะ, ะเหลวหมดนี่แต่วันนี้ื้อก็เลยนึกที่ตัวเองว่าจิงทั้งสองวัดปฏิบัติทั้งสองไม่มีอะไรดีเป็นของเลอะเหลวขนาดนีเลยเสื่อมก็เพราะเหตุที่ไม่เข้าใจอย่าง เพื่อไม่รู้เรื่องไปราชการอธิบายวันนี้ก็เพียงอธิบายเพียงว่าอารมณ์มันเดียวเท่าน่ะไม่ใช่อื่นใครทุกๆคนพิจารณาด้วยเถิมาควว่ า, ววาอารมณ์หมายสองสิ่งใดความคิดนึกเรืออะไรก็ตามเถิดที่มันไปติดอยู่ในใจข้างต้นละไม่ได้วางไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้อ น, นั้นเรียกว่าอารมณ์อันนั้นคือตัวภัยใหญ่ร้ายกาจที่สุดนั่นคือ ภัยของสมาธิภาวนาอ น, นั้นคือเรื่องกิเลสอ น, นั้นเป็นเรื่องวัฏจะกรอนั้นเป็นเรื่องวงเวียนของสัตว์อนั้นเป็นเหตุที่จะให้ภบชาติยืนนานและมีที่สิ้นที่สุดถ้าใครชำระลงไปได้ทันทีทัควรหรือว่ามันช้าลงไปหรือว่าไม่มีอะไรสิดเลยเราก็ยืนยันสนได้ทัดจิตตนได้ ถ้าหาว่ามันชำระางมันยได้เออเราเดียกว่าใกล้เข้ามาแล้วเราจะการวนเวียนของเราหรือการท่องเที่ยวของเราเรียกว่าสั่งเข้าไปถ้าได้ทันใจเชื่อมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาตัดสินได้ปล่อยวางได้แล้าก็เชื่อมันในแจ้งตัวนั้นใกล้เข้ามาที่สุดยังไม่ทันหมดแต่ว่าช่วนไดหมดแล้วถ้าหากว่า เราไม่มีเลยอะไรมากระบก็แล้วปล่อยว่ะคือความรู้เท่าเบื่อสายเห็นโทษอยู่ตลอดเลลวลาแล้วไม่ยึดถือเอาเป็นอารมณ์อารมณ์เกิดขึ้นเราไม่ยึดเราไม่ถือเรารู้เท่าเข้าใจตามจริงวางปล่อยวางทําเฉยซะเป็นสภาวะอันหนึ่งเรียกว่าสภาวะธรรมนั่นเรียกว่าเราเข้าถึงสภาวะธรรมไม่ตก็มีเรื่องที่จะสืบต่อต่อไป การรู้เท่าเข้าใจอย่างนี้จึงเป็นประโยชน์อนนย่งงางยิ่งใหญ่ตั้งาี้ไปในวันนี้ก็เพียงอารมณ์อันเดียวเพราะฉะนั้นก็ขอทุกๆคนพิจารณาดูเพราะมียในตดวงตัวทุกคนแล้วถ้ากันชำระจ้าสัปัจจสองละงับดับสุดแล้วมันเป็นข้าศึกอยู่ภายในจึงเรียกว่าเวาทวปฏิเจ้า้งเดียวอระอระโตผู้ไรจากกิเลสหรือว่าเป็นผู้ หักเสืยเส้นกรําแห่งสังสารวัจจ์ก็คือหมายความว่ามันไม่หวนคือมันไม่ต่อนัะจ๊ะมันหักตรงเพียงแค่นั้นสังสารวัจจ์คือสิ่งที่อารมณ์ที่มาลบกวนมันไม่มันมาแล้วก็หักตรงทันทีปรากฏที่มาจะหักตรทันทีนั้นเรียกว่ามันหักกรงกำแห่งสังสารวัจจ์คําว่ากรำก็คือว่ากรำลดกรำล้อกำเกวียนนะจ๊ะมันมีเครื่อง ยันกันไว้ล่อเคียนมันจะค่อยหมุนถ้าโครงกรรมมันผักไปแล้วมันก็หมุนไม่ได้อารมณ์ทั้งหลายถ้าหากเราเห็นโพดเห็นภัยก็จะปล่อยวางหักวงไปได้ทันทีเลยกมดเมื่อก็อนมีการอย่า้นต่อไปเมื่อหยุดนิ่งนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการจะศาสนาเพราะฉนั้ทุกคนก็จะพาทำอบรมตนทึกฝนตนให้เข้าถึงตรงนั้นจึงจะเป็นผลประโยชน์ยิ่งใหญ่ในศาสน ตังอธิบายมาก็ด้วยเสื้อรลาสสิ